เมื่อได้ทำความเข้าใจกันไว้เป็นพื้นอย่างนี้แล้วก็จะสรุปคุณลักษณะของท่านผู้เข้าถึงนิพพานหรือพระอระหันต์ตามแนวแห่งหลักภาวิสีประการคือภาวิตกายภาวิศีลภาวิตจิตและภาวิสปัญญาดังได้กล่าวมาทั้งนี้มีข้อพึงตระหนักว่าคุณลักษณะและคุณสมบัติต่อไปนี้แม้จะจัดแยกไว้ต่างหากกันเป็นด้านนั้นด้านนี้แต่แท้จริงแล้ว มิได้แยกขาดจากกันเพียงแต่จัดแยกออกไปตามด้านที่ปรากฏเด่นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาส่วนในการพัฒนาคุณเหล่านี้เนื่องกันพัฒนามาด้วยกันโดยเฉพาะไม่ขาดอิสรภาพของปัญญา 1. ภาวิตกายมีกายที่ได้พัฒนาแล้วดังได้กล่าวแล้วว่าถึงแม้ในพระไตรปิฎก จะมีพุทธพจน์ที่ตรัสถึงพาวิทกายเป็นต้นหลายแห่งแต่ไม่มีคำอธิบายเหมือนว่าผู้ฟังรู้เข้าใจอยู่แล้วแต่บางครั้งมีคนภายนอกโดยเฉพาะพวกเดียรทีนิครนยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดตามความเข้าใจของเขาจึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายในพระสูตรชื่อว่ามหาสัจจกาสูตรมีเรื่องที่เป็นเหตุปรากฏธนงนี้จึงขอยกมาเล่าเป็นตัวอย่าง และในพระสูตรนี้มีเฉพาะภาวิตกายมากับภาวิตจิตเพราะฝ่ายที่ยกเรื่องขึ้นมาพูดเฉพาะสองาวิตนี้เรื่องมีว่าเช้าวันหนึ่งสัจจกะนิครนทบุตรผู้มีชื่อเสียงเด่นดังมากเป็นอาจารย์สอนบุตรหลานของเจ้าลิชวีแห่งแคว้นวัชีอัตธกถานิยมเรียกว่าสัจจกะนิครนเดินมาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ได้พบและสนทนากับพระพุทธเจ้าเขาเริ่มต้นโดยยกเอาเรื่องกายภาวนาคือการพัฒนากายและจิตตาภาวนาการพัฒนาจิตขึ้นมาพูดและกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าตามความคิดเห็นของเขาเหล่าสาวกของพระองค์เอาไตค ำ, คำัคะเณนประกอบจิตตาภาวนาแต่ไม่ประกอบกายภาวนาคือเอาแต่พัฒนาจิตไม่พัฒนากาย การที่สัจจการิครนแสดงทศนะขึ้นมาอย่างนี้อัตถกถาบอกภูมิหลังว่าเพราะเขาเห็นพระภิกษุพากันหลีกเร้นอยู่ในที่สงบไม่มีการทรมานร่างกายเมื่อเขาแสดงความเห็นออกมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าแล้วตามที่เขาเรียนรู้มากายภาวนาการพัฒนากายคืออย่างไรสัจจการิครนก็ยกตัวอย่างการบำเพ็ญตบะ ถือพรดต่างๆในการทรมานร่างกายคืออัตตากิริมทานุโยคว่า น, นั่นแหละคือกายภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปว่าล้จิตตะภาวนาละ่ะเขาเรียนรู้มาว่าเป็นอย่างไรตรงนี้สัจกะนิรณไม่สามารถอธิบายได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแม้แต่กายภาวนาที่เขาบอกมาก่อนนั้น ก็ไม่ใช่กายภาวนาหรือการพัฒนากายในแบบแผนของอริยชนหรืออริยวินยัยนี่แม้แต่กายภาวนาเขายังไม่รู้และเขาจะรู้จากจิตตาภาวนาได้จากที่ไหนจากนั้นจึงตรัสบอกให้สัจจการิชนฟังคำที่จะทรงอธิบายว่าอย่างไรไม่เป็นพาวิตย์กายไม่เป็นพาวิจิตและอย่างไรจึงจะเป็นพาวิตย์กายอย่างไรจึงจะเป็นภาวิาา จ, จ, าวจิต ดังจะยกความตอนที่เป็นสาระสำคัญมาดูน่อคีเวสนะในที่นี้คือชื่อโคตรหรือนามสกุลของสัจจกะนิครนอย่างไรจรึงจะเป็นภาวิตกายและเป็นภาวิจิตอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ เ, เรียนสึดับมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถึงจะได้สัมผัสกับสุขเวทนาเขาก็ไม่ติดใกล้ฝ่ายกรสันในสุข ไม่ถึงความเป็นผู้ติดใกล้ฝ่ายกระสานในสุขเวทนารันสุขเวทนานั้นดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาสัมผัสกับทุกขเวทนาเข้าแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่ฟูมฟายไม่รำพันไม่ร่ำรวญไม่ตีอกไม่ถึงความฟั้นเฟื่อเลือนหลงอย่างนี้แหละอคีเวสณนะเพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้วสุขเวทนานั้น ถึงแม้เกิดขึ้นก็หาได้ครอบงามจิตตั้งอยู่ไม่เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้วทุกขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้นก็หาได้ครอบงามจิตตั้งอยู่ไม่นี่เนะ่ะอคีเวสนาสำหรับอริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งสุขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้นก็ไม่ครอบงามจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้พัฒนากายแล้วทุกขเวทนาถึงแม้เกิดขึ้น ก็ไม่ครอบงมจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้พัฒนาจิตแล้วปรบทั้งสองข้างอย่างนี้แหลอคีเวสนะบุคคลจึงเป็นภาวิกายและเป็นภาวิจิตอธากถาอธิบายว่าในที่นี้กายภาวนาเป็นวิปัสสนาส่วนจิตตภาวนาเป็นสมาธิคือสมถะ ดังได้กล่าวแล้วว่ากายภาวนาคือการพัฒนากายนี้ความหมายหลักบอกว่าเป็นการพัฒนาปัญจทวาริกกายคือกายด้านผัสสะทวารห้าหรืออินทรีห้าคือตาหูจมูกลิ้นผิวกายพอพูดถึงตรงนี้การพัฒนากายก็แทบจะเป็นคำเดียวกับการพัฒนาอินทรีหรือว่ากายภาวนา ก็น่าจะได้แก่อินรียภาวนานั่นเองการพัฒนาอินรีก็เริ่มด้วยหลักอินรียาสังวรที่พระพุทธเจ้าตรัสเน้นอย่างมากในการศึกษาของผู้เข้ามาบรรพชาในพระธรรมวินัยเรียกว่าเป็นการฝึกขั้นต้นต่อเนื่องไปกับการฝึกด้านศีลในยุคอัตถกถานิยมเรียกเป็นศีลหมวดหนึ่งว่าอินสียสังวรศีลจึงขอให้ดูหลักขั้นเบื้องต้นนี้ก่อน ดังตัวอย่างพุทธพ์ว่าดูก่อนมหาบพิษอย่างไรภิกษุจะชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายดูก่อนมหาบพิษภิกษุในธรรมวิไนนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือติดนิมิตคือภาพรวมไม่ถือติดอนุพยัญชนะคือส่วนย่อยเธอปฏิบัติ เพื่อสำรวมอินทรีย์คือจักสุขที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันสามคืออภิชาความติดใคร่ชอบใจและโทมนัสความขัดเคืองเสียใจครอบงำเธอรักษาจากขุนสีเธอถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องผลทพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ในวงเล็บเช่นเดียวกันภิกษุนั้นผู้ประกอบด้วยอินรียสังวร อ, อันเป็นอริยะนี้ย่อมได้สวยสุขอันล้วนไร้ละคนในภายในคือไม่เจอกิเลสอย่างนี้แหละมหาบพิษภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินรีทั้งหลายอินรียสังวร น, นี้ยังเป็นขั้นของผู้ฝึก หรือเริ่มศึกษายังไม่ใช่ขั้นของพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นพาวิตินสีผู้มีอินสีอันได้พัฒนาแล้วที่จะจัดเป็นพาวิตกายแต่นี้ยกมาให้ดูเพื่อให้รู้เห็นตามลาดับยังมีอินสียะสังวรที่ลึกลงไปหรือที่ตรัสอีกแนวหนึ่งก็ขอยกมาให้ดูเพื่อเทียบกันด้วยอินสียะสังวรนี้มาทำให้มากแล้ว จะทำสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามนั้นทำให้มากแล้วจะทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่นั้นทำให้มากแล้วจะทำโพธชงเจ็ดให้บริบูรณ์และโพธชงเจ็ดนั้นทำให้มากแล้วจะทำวิชาและวิมุติที่เป็นลานิสงสุดท้ายให้บริบูรณ์เรื่องนี้ตรัสแกคุณทลีปริพาชก ผู้ได้มาเฝ้าที่อัญชนาวันในเขตเมืองสาเกตมีความตอนนี้ว่าดูก่อนกุลทลีอินรียะสังวรอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอย่างไรจะยังสุจริตสามให้บริบูรณ์ดูก่อนกุลทลีภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นรูปที่น่าชอบใจด้วยจกักษุแล้วไม่ติดใกล้ไม่เหิมใจ ไม่ก่อราคาให้เกิดขึ้นและกายของเธอก็คงตัวจิตก็คงตัวมั่นคงดีในภายในหลอดพ้นไปด้วยดีอนหนึง่งเธอเห็นรูปที่ไม่น่าชอบใจด้วยจักษุแล้วก็ไม่ขัดเขินไม่กระด้างใจไม่บีบใจไม่ขุนเคืองแค้นใจและกายของเธอก็คงตัวจิตก็คงตัวมั่นคงดีในภายในหลอดพ้นไปด้วยดี อีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องผดผาด้วยกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วก็โดยนัยยะเดียวกันอยู่ก่อนกุณฑลีอินรียสังวร อ, อันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอย่างนี้แหลย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์ ทีนี้มาดูการฝึกยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้แหละเรียกว่าอินริยภาวนาเป็นหลักที่ตรัสไว้ในอินริยภาวนาสูตรในพระสูตรนี้ต่อจากตรัสการปฏิบัติแล้วยังตรัสให้เห็นความแตกต่างที่พึงเทียบกันระหว่างเสขะปฏิบทคือพระอริยะผู้ยังฝึกกับภาวิตินีคือพระอรหันต์ผู้ฝึกเสร็จแล้วที่เป็นภาวิตกายขอยกมาให้ดูพอรู้รูปเขา เรื่องมีว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่ป่าไผ่ในกะชังคลานิคมอุตรามานกสิทธิ์ของปา ร, ราสิริยพราหม์เข้าไปเฝ้าพระองค์ตรัสถามเขาว่าปา ร, ราสิริยพราหม์สอนหลักอินทรียภาวนาแก่เรล่าสาวกใช่ไหมเมื่อเขารับว่าใช่พระองค์ก็ตรัสถามว่าปา ร, ราสิริยพราหม์สอนการพัฒนาอินทรีย์อย่างไร เขาทูลตอบว่าปาราศิริยพราหมสอนอินรียภาวนาโดยไม่ให้เอาตาดูรูปไม่เอาหูฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าถือตามหลักที่พราหมณ์นี้สอนคนตาบอดคนหูหนวกก็เป็นพาวิตินสีหรือได้พัฒนาอินสีแล้วละสิจากนั้นพระองค์ตรัสว่าการพัฒนาอินสีอย่างที่ปาราศิริยพราหมณ์สอนนั้น เป็นคนละอย่างต่างจากอินริยภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในแบบของอริยชนหรืออริยวินัยพระอานนท์จึงทูลขอให้ทรงแสดงหลักอินสิยภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในอริยวินัยนั้นและได้ตรัส ด, ดังรวมใจความมาดังนี้ในที่นี้ความอุปมายาวๆได้ละเสียหนึ่งอินริยภาวนา ดูก่อนอานนลก็อินรียาภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนเป็นอย่างไรดูก่อนอานนลเราเห็นรูปด้วยจักสุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่ น, น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่ น, น่าชอบใจก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้ชัดคือรู้เท่าทันอย่างนี้ว่า สภาพที่น่าชอบใจสภาพที่ไม่น่าชอบใจสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วแกเราเช่นนี้ก็แต่ว่าสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจนั่นแหลเป็นภาวะปรุงแต่งเป็นของหยาบอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะนี้จึงสงบสภาวะนี้จึงประณีต กล่าวคืออุเบกขาคือใจเฉยโดยตรนกรู้อยู่ในดุลสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแก่เธอนั้นก็ดับหายอุเบกขาตั้งได้ที่สนิทดูก่อนอานนภิกษุรูปหนึ่งรูปใดที่สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งหน้าชอบใจและไม่ น, น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายอุเบกขาตั้งได้ที่สนิทโดยเร็วโดยพลันทันทีโดยไม่ยากลำบากเหมือนดังบุรุษมีตาดีลืมตาแล้วหลับตาหรือหลับตาแล้วลืมตาดูก่อนอานนนิเรียกว่าอินทรียภาวนาในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุขอันยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชน ดูก่อนอานน์ข้ออื่นยังมีอีกเราได้ยินเสียงด้วยหูเราดมกลิ่นด้วยจมูกเราลิ้มรสด้วยลิ้นเราต้องผลัพัช ด, ด้วยกายเรารู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจในที่นี้คือโดนัยยะเป็นทํานองเดียวกันกับข้อก่อนทั้งหมดดูก่อนอานน์ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดที่สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจ สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายเบรคหาตั้งได้ที่สนิทโดยเร็วโดยพลันทันทีโดยไม่ยากลำบากเหมือนดังบุรุษมีกำลังเอาหยาดน้ำสองหรือสามหยดหยดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดทั้งวันการหยดลงไปแห่งหยาดน้ำนั้นอย่างช้าคื อ, อยังไม่ทันที่หยาดน้านั้นจะถึงความเอือดหายหมดสิ้นไปับพลันทันใดโดยแน่แท้ ดูก่อนอาณ น, น, นี้เรียกว่าอินรียาภาวนาในธรรมารมที่รู้ได้ด้วยใจอันยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชนดูก่อนอาณ น, น์อย่างนี้แหลเป็นอินรียาภาวนาอันยอดเยี่ยมในวินัยของอริยชน